คำว่ามานี่แปลว่าผู้ฆ่ามาระนี่แปลว่าผู้ฆ่ามานี่มีอยู่ห้าอย่างนะอันพระองค์เนี่ยเป็นผู้ชนะมารทั้งห้าอย่างประเสริฐตัดกิเลสตัดอนุสัยตัดทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเลี่ยงเลยและพระธรรมหรือว่าธรรมะแปลว่าทรงไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติตามไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่ว หรือว่าทรงไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติไม่ให้ไปสู่อบายทุคติวินิบาตเออทำรรมาอย่างงี้สิเนาะจึงจะเป็นสารณะได้ถ้าทำมาว่าสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยแข็งก็เป็นสภาวะเอาเป็นสารณะได้ไหมโอ้ถูกสมมติ น, นะถูกจับแข็งอย่างเงี้ยถูกจับแข็งหรือกระทบเก้าอี้แข็งเนี่ยถามว่าแข็งอย่างเงี้เอาเป็นสารณะได้ไหมแต่ความรู้ในเรื่องแข็งเนี่ยเอาเป็นสารณะได้ไหมได้คําสอนที่ตรัสสอนเรื่องราวเหล่านี้ทั้งหมดเอาเป็นสารณะได้ นั่นแหละหพระธรรมก็คือพระทบทวนสภาวะที่เป็นธรรมะคือหนึ่งพระปริยัติธรรมอริยมรรยผลนิพพานนี่เชื่อว่าเป็นธรรมะที่เป็นสารณนะะนะธรรมะที่เป็นสารณะจริงๆมีอยู่สภาวะธรรมได้สี่ประการนี่นะต่อไปภิกษุสงฆ์ภิกษุสงฆ์ก็คือใครมูชนผู้สมบูรณ์ด้วย ศีลและทิฏฐิศีล น, นี่ได้แก่อะไรศีลได้แก่จาตุปริสุทธิ์ศีลความบริสุทธิ์ของศีลสี่ประการ น, นะผู้มูชนที่สมบูรณ์ด้วยความบริสุทธิ์แห่งศีลคือความสังวรทางกายทางวาจาทั้งสี่ประการนะหนึ่ิโมฆขสังวรศีลตามสมควรแก่เพศและฐานะ 2. อ, อินทรีสังวรศีล ความสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้เป็นบาปเป็นอกุศล 3. ปัจจยสารนิสิตศีลการพิจารณาปัจจยสย4สุดท้ายอาชีวปาริสุทิศินการเลี้ยงชีพเลี้ยงชีวิตได้ปั จ, จัจสีได้โดยถูกทำไม่ผิดธรรมมาอย่างนี้กว่าอาชีวปาริสุทิศิน เนี่ยเรียกว่ามีศีลเนี่ยมารยาททางกายทางวาจาเนี่ยสม่ำเสมอกันหมดแต่มีความหลากหลายนะไม่ใช่ว่าทุกคนทุกคนพูดเหมือนกันนะไม่ใช่อย่างนั้นคําว่าศีลก็คือวินัยเนี่ยเหมือนกันหมดเลยและต่อไปผู้มีทิฏฐิมีทิฏฐิเสมอกันทิฏฐิในที่นี้หมายถึงสัมมาทิฏฐิผู้มีสัมมาทิฏฐิเสมอกันด้วยสัมมาทิฏฐิ เสมอกันด้วยสัมมาทิฏฐิก็คือสัมมาทิฏฐิที่หนึ่งกรร ม, มสกตาสัมมาทิฏฐิมีความเชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรมเนี่ยคล้ายกันแต่ความสามารถแตกต่างกันนะแต่ว่ามีความเชื่อมั่นในหลักกรรมเหมือนกันหมดเลยสองวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิมีความรู้เรื่องขันเรื่องท่าเรื่องอายตนะเหมือนกันแต่ว่าเรียนเหมือนกันแต่ว่าฉลาดเท่ากาันหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งนะ แต่ว่าเรียนเรื่องวิปัสนาภูมิเหมือนกันและก็ต่อไปมัคคสัมมาทิฏฐิท่านมีอาริยมัคคะสัมมาทิฐิเหมือนกันแต่ว่าบางท่านเป็นโสดาปฏิมัคบางท่านเป็นสักท า, าคามีมัคบางท่านเป็นอนนาคามีมัคบางท่านเป็นอรหัตตมัคบางท่านอารหัตตมัคแบบสุขาวิปัสสกบางท่านอรหัตตมัคแบบเตวิชาวิชาสามบางท่านเป็นอรหัตตมัคแบบปฏิสัมพิทาสี่หรืออภิญญาหก ไม่เหมือนกันแต่ว่ามีมักเหมือนกันเนั้นถ้าอริยสงฆ์เหล่านี้ผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและทิฏฐิท่านเหล่านี้แหละเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่านั่นแหละแล้วท่านเหล่านี้เป็นผู้แสดงธรรมผู้ที่เสมอกันด้วยศีลและทิฏฐินี่นะครับก็พวกนี้ก็จะไปเจอกันก็จะไปอยู่รวมกันใช่ไหมถ้าเสมอกัน ถ้าเชื่อถือว่าอย่างพวกเรานี่นะถ้ามีสีเสมอกันทิฏฐิเสมอกันก็จะมีโอกาสที่ไปอยู่ในภพภูมิเดียวกันเจริญพรับส่วนใหญ่ก็อยู่ในภพภูมิเดียวกันแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าอย่างอนาถาบินฑิกะนี้เกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตนางวิสาขาเกิดในสวรรค์ชั้นนิมมานรดีสูงกว่าดุสิตอีกนั่นแหละก็เอาสุขติเหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยภูมิก็คือสุขติเหมือนกัน มันผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลและทิฏฐิอย่างนี้เนี่ยชื่อว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้ามั้งงั้นโอ้โหเห็นพระเมาแอบกลางถนนนีโอ้โหพระสงฆ์เราเนี่ยทําไมเสียหายอย่างนี้ร้องไห้เลยไงถามว่าเอ้ยอยางงั้นนี่เอามาเป็นสารณะได้เหรอท่านยังจะเอาตัวท่านไม่รอดเลยอ่นะน่าจะให้มาเราเพิ่งท่านเนี่ยหน้ามืดแน่นั่นช่วยเราไม่ไหวแน่ท่านเองก็ช่วยตัวเองให้มันรอดเถอะนั่นแหละ เพราะผู้ที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมเหล่านี้นะจึงจะเป็นสารณะเพราะถามว่าเหมือนกับข่าวหนังสือพิมพ์ออกมาทุกวันโหภิกษุสงรูปนี้อันนี้พูดไม่ถูกนะนเราจึงจึงให้แยกว่าบุคคลก็คือบุคคลบางทีหนังสือพิมพ์ก็พูดดีนะอลัตชีเลยใช้คําต้นๆเลยอาัตชีอย่างเออถ้าเงี้ยถูกต้องเลยเพราะเป็นบุคคลที่ขาดฮีเรและโอตา ป, ปะอนไนหะอารัตชีก็มาจากผู้ไม่อายต่อ เชื่อไม่กลัวต่อบาปเมื่อกี้เนี่ยท่านใช้คําว่าภาลธรรมมาั้นภิกษุบุคคลเนี่ยเป็นผานก็มีเป็นบัณฑิตก็มีส่วนที่เป็นบัณฑิตนั้นที่เป็นพระอริยะบุคคลก็มีอั้นผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นนั่นแหละเราจรึงควรเอาท่านมาเป็นสารณะมาเป็นที่พึ่ง <c oughs> ทีนี้พระพุทธเจ้านี่ก็สอนให้ฉัตรมานพเนี่ยถึงสารณะอย่างนี้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทีแรกข้าพระองค์ได้กล่าวว่าไม่รู้หรือพระเจ้ามาถามว่าดูก่อนมนุษย์เธอรู้จักสารณะไหมทีแรกข้าพระองค์บอกว่าไม่รู้แต่ภายหลังได้กระทาตามพระดำรัสของพระองค์อย่างนั้นทีเดียวเนี่ยเรียกว่าทั้งหมดนี้เป็นสารณะนะพระองค์ตรัสสอนว่าจงอย่าฆ่าสัตว์อย่าประพฤติกรรมไม่สะอาดต่าง ผู้มีปัญญาทั้งหลายไม่สารเสริญความไม่สำรวมในสัตว์ทั้งหลายเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่แรกข้าพระองค์ได้กล่าวว่าไม่รู้แต่ภายหลังได้กระทำตามพระดำรับของพระองค์อย่างนั้นทีเดียวพระองค์สอนถึงสารณะและก็สอนเรื่องศีลต่อไปเลยเพราะว่าการฆ่าสัตว์นั้นชื่อว่าเป็นการปรับพืชที่ไม่สะอาดอะนะแล้วการฆ่าอย่างนี้ส่วนใหญ่เนี่ยใครก็อยากปกปิดไว้ทั้งนั้นใช่ ของไม่สะอาดส่วนใหญ่แล้วเขาอยากปกปิดกันฉะนั้นการฆ่าสัตว์นั้นเป็นเรื่องที่บัณฑิตหรือผู้มีปัญญาทั้งหลายเขาตําหนิตําหนิตลอดเวลาไม่ว่าในการไหนๆเลยในอดีตการบัณฑิตทั้งหลายเขาก็ตําหนิการฆ่าในปัจจุบันนี้บัณฑิตทั้งหลายก็ตําหนิการฆ่าในอนาคตอีกต่อไปบัณฑิตทั้งหลายก็ตําหนิการฆ่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการฆ่าอย่างนั้นจงเป็นผู้สังวรด้วยศีลละสังวร ปิดกัน้นไม่ค่าพระองค์ตรัสสอนว่าอย่าเป็นผู้มีความสำคัญของที่เจ้าของไม่ได้ให้แม้ที่ชนอื่นรักษาไว้ว่าเป็นของควรถือเอาค่าแต่พระองค์พูดเจริญทีแรกค่าพระองค์ได้กล่าวว่าไม่รู้แต่ภายหลังได้กระทำตามพระดำรัสของพระองค์อย่างนั้นทีเดียวพระองค์ตรัสสอนว่าอย่าได้ล่วงเกินภรยาของคนอื่นที่คนอื่นรักษา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 พระองค์ตรัสสอนว่าจงงดเว้นจากน้ําเมาเป็นเครื่องให้คนปราศจากสัญญาหมดสัญญาเลยนะถ้ามีเมาแล้วเนี่ยสัญญาในที่นี้ก็คือเช่นธรรมสัญญาอะไรเป็นบุญเป็นบาปเน้น้ำเมาเข้าไปแล้วเนี่ยธรรมสัญญาเหล่านี้ก็หายไปหรือว่าโลกกสัญญาก็หายด้วยสัญโล ก, กสัญญาก็คือความเป็นพี่เป็นน้องเป็นป้าเป็นน้าเป็นอาเนี่ยคนเมาไปแล้วเนี่ยโล ก, กสัญญาเหล่านี้ก็ก็หมดไป เพราะฉะนั้นจงงดเว้นจากการดื่มน้ําเมาซึ่งเป็นเครื่องให้คนปราศจากสัญญานั้นทั้งหมดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทีแรกข้าพระองค์ได้กล่าวว่าไม่รู้แต่ภายหลังได้กระทำตามพระดำรัสของพระองค์อย่างนั้นทีเดียวข้าพระองค์นั้นถือเอาสิกขาบทหในศาสนานี้ปฏิบัติในธรรมะของพระตถาคตได้ไปยังทางสองแพร่งท่ามกลางพวกโจร พวกโจรเหล่านั้นฆ่าฆ่าพระองค์ที่ทางนั้นเพราะโภคะเป็นเหตุนะกำลังรับศีลมาดีๆเลยก็ตายเลยถูกฆ่าตายฆ่าพระองค์นั้นระลึกถึงกุศล น, นี้เพียงเท่านี้คําถามนะคำถามที่พระพุทธเจ้าถามว่าไอ้วิมานทั้งหมดเหล่านี้ท่านได้แต่ได้มาหรืงงั้นทําบุญอะไรามาเลยก็บอกว่าได้มาจากการสมาทานสารณะนะการถึงสารณะและสมาทานศีล กุศลอื่นนอกจากนั้นของข้าพระองค์ไม่มีคืออย่าลืมนะว่ามานพคนนั้นเนี่ยจเจริญกุศลจิตในเวลาใกล้ตายใช่ไหมเวลาใกล้ตายก็นึกถึงสาระและศีลฉนั้นบุคคลที่มีจิตผ่องใสใกล้จะตายแล้วเป็นไงจิตเต อ, อสังกิริเถสุขติปาติกังขาบุคคลเมื่อจิตไม่เศร้าหมองอสังกิริถะเนี่ยแปลว่าไม่เศร้าหมองจิตที่ไม่เศร้าหมอง สุขติก็หวังได้ด้วยกรรมอันสุดจริตนั้นข้าพระองค์จึงเกิดในหมู่เทวดาชั้นไตรทิพต์ไตรทิพก็คือสวรรค์ชั้นดาวดึงร่างพร้อมด้วยสิ่งที่น่าปรารถนาขอพระองค์โปรดดูวิบากแห่งการสำรวมชั่วขณะชั่วครู่หนึ่งชั่วแป๊บเดียวนะด้วยการปฏิบัติธรรมตามสมควรคือการปฏิบัติธรรมสมควรแก่สรณะและศีล ซึ่งเหมือนรุ่งเรืองอยู่ด้วยยศคนเป็นอันมากผู้มีกรรมอันต่ำทรา ม, ามเพ่งดูข่าพระ อ, องค์ก็นึกกระยิมใครเห็นแล้วก็โอ้โหยิ้มเลยนะใครเห็นแล้วก็เห็นคนมีบุญเนี่ยส่วนใหญ่จะยิ้มทั้งนั้นแหลนะเนาะถ้าในหลวงมาเนี่ยพวกเราเนี่ยยิ้มเลยนั่นแหละถ้าคนมีบุญเนี่ยคนเห็นแล้วยิ้มเลยถ้าคนมีบาปนะอ้ายมาทำไมกันไมู่นั่นแหละสมมติลองดูนะถ้าคนเดินมาเนี่ยเรารู้สึกชื่นใจนะถ้าหมาเดินมาดูสิ ทำหมาตัวดูดูหน่อยนะ โ, โหมายไงวะเนี่ยนั <c oughs> ่นแหละแล้วถ้าผู้ที่มีตราบาปติดตัวมาด้วยเนี่ยคนจะรังเกียจแต่ถ้าคนมีแต่ตราบุญติดตามมาเนี่ยใครก็อยากพบใครก็อยากเห็นโปรดดูเถิดข่าพระองค์ถึงสุขติและถึงความสุขด้วยเทศนาเล็กน้อยก็สัตไอ้ก็เหล่าสัตว์ผู้ที่ฟังธรรมของพระองค์ติดต่อกันเหล่านั้นเห็นทีจะสัมผัสพระนิพพาน อันเป็นแดนกเกษมเป็นแนแ่คนที่ฟังธรรมมากๆฟังอย่างติดต่อกันและก็ฟังด้วยความรู้ความเข้าใจเขาคงสัมผัสนิพานสัมผัสธรรมะเป็นที่สงบประงับจากปัญหาได้กรรมที่ทําแม้น้อยก็มีวิบากใหญ่ไพ่บูร์ทําไม่มา ก, กนะนะแต่ว่าผลแห่งกุศลเขาเรียกมหากุศลไงให้ผลมากเกินกว่าที่ทําตั้งมากมายมหาศาล กุศลจิตนะถ้ามันเกิดนะไม่ต้องมากขนาดไหนก็ได้แต่ว่าให้ผลเกินคาดเกินคิดเหมืงนั้นเพราะธรรมะของพระตถาคตแท้ๆปโปรดดูเถิดเพราะเป็นผู้ได้ทำบุญไว้ชัตตามานพจึงเปล่งรัศมีสว่างตลอดแผ่นปัตภพีเหมือนดังดวงอาทิตย์คนพวกหนึ่งก็ประชมปรึกษากันว่ากุศล น, นี้เป็นอย่างไรโอ้ใครเห็นโอ้ยเขาทาบุญกันยังไงมากนะ ทำไมได้บุญมากมายขนาดนั้นพวกเราจะประพฤติกุศลอะไรพวกเรานั้นได้ความเป็นมนุษย์แล้วพึงปฏิบัติมนุสยธรรมมีศีลกันอยู่อีกทีเดียวนะ <c oughs> คือถ้าใครนะรู้ว่าเหตุแห่งความสุขเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมาด้วยผลของบุญใครๆเขาก็ก็ยิมใครๆก็อยากอยากจะทำในสิ่งนั้นนั่นแหละแต่ว่าคนนี้เขาไม่รู้ผลของบุญะ่ะเหมือนที่พระพุทธเจ้ารู้อะ่ะเขาจึงไม่ทาบุญกัน อันเราไม่แปลกใจเลยนะว่าทําไมเขาจึงไม่ทําบุญกันเราไม่ต้องตําหนิก็หรอกถ้าใครมีปัญญาเท่ากับพระสารีบุตรนะเขาก็ทําบุญกันแน่นอนแหละถ้าใครมีปัญญาเท่าพระพุทธเจ้าด้วยแล้วเนี่ยองคบอกว่าถ้าไม่ได้ให้ทานก่อนไม่บริโภคนั่นแหละแต่ว่าอาวิชชาเนี่ยเป็นเครื่องปกปิดปิดกั้นไม่ให้เห็นกรรมและผลของกรรมสัตว์ทั้งหลายจึงตันหนีอยู่ เพราะฉะนั้นพวกเรานั้นได้ความเป็นมนุษย์แล้วพึงปฏิบัติมนุษยธรรมมนุษยธรรมคืออะไรมนุษยธรรมคืออะไรมนุษยธรรมก็คือกุศลกรรมบท10บประการกุศลกรรมบททั้ง10บประการชื่อว่ามนุษยธรรมเพราะว่ากุศลกรรมบท10บประการนี้ ให้ผลมาเกิดเป็นน้อยที่สุดมาเกิดเป็นมนุษย์เขาจึงเรียกว่ามนุษยธรรมแล้วก็เกิดสูงทั้งเทวดาด้วยส่วนอุตริมนุษยธรรมก็คือธรรมะที่ยิ่งกว่าของมนุษย์ก็คือพวกฌานพวกฌานนี้จะทำให้ไปเกิดพรมเขาจึงเรียกว่ามนุ อ, อุตริเขคือยิ่งกว่ามนุษย์นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนนี่รู้จักว่ากุศลเนี่ยเป็นอย่างไรกุศลเนี่ยคืออะไร ผลของกุศลก็จะคนก็จะทำกุศลปฏิบัติมนุษยธรรมมีศีลกันอยู่อีกทีเดียวพระศาสดานี้ทรงมีอุปการะมากทรงอนุเคราะห์อย่างนี้เมื่อข้าพระองค์ถูกโจรฆ่าชิงทรัพย์ยังกลางวันแสกๆอยู่เลยสมัยก่อนเนี่ยนะฆ่ากันกลางวันแตกๆเลยนะที่เดินทางเปลี่ยวเนี่ยเขาฆ่ากันเลยข้าพระองค์นั้นเป็นผู้เข้าถึงพระองค์ผู้มีพระนามอันเป็นสัจจะ ขอพระ อ, องค์โปรดอนุเคราะห์เถิดข้าพระ อ, องค์ทั้งหลายขอฟังธรรมอีกอ น, นะวันก่อนนี้ฟังธรรมได้ผลใช่ไหมทําให้ได้ถึงไตราสารณาคมถึงไตราสารณาคมและสม า, ามสทานศีลทาให้เกิดในสวรรค์ตอนหลังนี้ขอฟังธรรมอีกงันก้นเผื่อ <c oughs> <c oughs> ได้ดีต่ อ, อใช่ไหมพระ อ, องค์ก็เลยทรงแสดงธรรมว่าชนเหล่าใดในาศาสนานี้ละกามราคะ อนุัยคือภวะราคะและโมหะละได้ขาดชนเหล่านั้นย่อมไม่ต้องนอนในคันคือเกิดอีกเพราะถึงปรินิพานดับทุกข์เย็นสนิทเมียที่บายว่าชนเหล่าใดดำรงอยู่ในาศาสนานี้ย่อมละคือย่อมถอนกามราคะได้ขาดไม่เหลือเลยชนเหล่านั้นย่อมไม่ต้องนอนในคันอีกนะถ้าหากว่ากามราคะแบบทั่วไปละได้ก็เป็นพระอนาคามี ทละกามราคา่าหรือไอตัวโลภ้าได้เด็ดขาดก็เป็นพผ่ารหันเพราะถอนโอรัมภาคยาสังโยชตเบื้องต่ําได้แล้วถ้าหากว่าถอนสกายาทิฐิวิจิกิจฉ า, าศีลผ้าตาปรามาศกามราค่าและปฏิฆาได้เขาเรียกว่าโอรัมภาคยาสังโยชตสังโยชน์อันมีในเบื้องต่ําผู้ที่ถอนสังโยตห้าประการเหล่านี้ได้ผู้นั้นก็ไม่ต้องนอนในครันอีก เพราะเป็นพระอนาคามีถ้าเป็นพระสะกทาคามียเนี่ยยังนอนในครันอีกครั้งหนึ่ง น, นะถ้าหากว่าไม่ได้บรรลุคุณธรรมชั้นสูงต่อไปตายแล้วไปเกิดในเทวโลกหรือมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็สามารถมีสิทธิ์นอนในครันอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเป็นพระอนาคามีนี้ไม่ต้องนอนในครันอีกเลยอั น, นึ่งชนเหล่าใดละโมหะเพิกถอนโดยประการทั้งปวงชื่อว่าละภวะราคานุสัยได้ จึงไม่มีคําที่จะต้องกล่าวว่าชนเหล่านั้นต้องนอนในคันอีกดังนี้ถ้าหากว่าคนนั้นหมดโมหะแล้วเนี่ยจะต้องพูดไหมว่าเขาจะต้องนอนในครันอีกไม่ต้องพูดแล้วคนที่ละโมหะได้โดยเด็ดขาดก็คือผ่ารหันผา่นผารหันปรินิพานดับทุกขเป็นผู้เย็นสนิทแล้วจริงอยู่ชนเหล่านั้นเป็นอุดมบุรุษอุดมนี่แปลว่าอุดมเป็นบาลีนะแปลว่าอะไรไทยๆเรา อุดมอุตมะบาลีมาจากอุตมะแปลว่าสูงสุดนั่นแหละเป็นบุรุษสูงสุดถึงปรินิพานดับทุกขด้วยอนุปาติเสสนิพานธาตุแปลว่าดับทั้งกิเลสด้วยดับทั้งวิบากและกรร ม, มชรูปด้วยถ้าดับวิบากและกรร ม, มชรูปเชื้อที่จะให้ปฏิสนธิในพบใหม่ไม่มีแล้วก็จะเหมือนกับปฏีพปฎีพที่จุด หมดใส้ด้วยหมดน้ำมันด้วยถามว่าเพลิงหรือไฟอันนั้นจะอยู่ที่ไหนนะหายไปพยามาณตามหาวิญญาณไม่พบอ่อย่างนี้แหละเรียกว่าอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุแต่ถ้าคนทั่วไปนะใครมาแช่งว่าโอ๊ยอย่าได้ผุดได้เกิดอีกเลยเนี่ยทุสาทุเรีว่าพร อ, อันประเสริฐ นะเพราะคนที่ไม่เกิดเลยก็คือพระอาหารหันต์ถ้าใครด่านะว่าจะได้ผุดจะได้เกิดอีกเลยเนี่ยเขขอให้ยินเถอะอาสาทุก็ทําบุญทุกวันก็ปาฐนะอันนี้แหละางนั้นนั่นแหละก็ปาฐนะไม่เกิดอีกแล้วจึงเป็นผู้เย็นสนิทนะผู้ที่ดับตัณหาทั้งหมดดับทุกอย่างได้แล้วเป็นผู้เย็นสนิทเพราะความเร่าร้อนทุกอย่างที่สัตบทั้งปวงเนี่ยสวยสิ้นสุดในปรินิพานนั่นเอง แม้แต่วิบากและกรรมมาชรูปก็ดับหมดเกลี้ยงแล้วของเรานี่ก็จะเอาแต่เวทนาไปเสวยสุขอย่างเดียวเลยนะอันปุถุชนเนี่ยคิดไม่ถูกหรอกว่าความสุขแบบนั้นนี่มันเป็นอย่างไรนั่นแหละ <M> เมื่อเทพบุตรประกาศความที่ตนถึงกะระแสอริยะแล้วจับเอายอดเทสนาด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทำประทักษิณ แสดงความนับถือแก่ภิกษุสงฆ์ลาบิดามารดาแล้วกลับเทวโลกตามเดิมที่จริงนนเนี่ยจบนี้เนี่ยเทพบุตรนี้เป็นพระพระโสดาบันนะจบคาถาเมื่อกี้เนี่ยเทพบุตรเป็นพระโสดาบันทำพระทักสินแล้วก็กลับไปเทวโลกใช่ไหมแม้พระศาสดาเสด็จลุกจากพุทธอาสนะเสด็จไปพร้อมกับด้วยภิกษุสงฆ์มารดาบิดาของมโนปโปคราสาสติพรามมหาชนทั้งหมด ส่งเสด็จพระผู้มีพระภาคแล้วพากันกลับไม่ได้บรรลุแท้เทพบุตรองค์เดียวนะแม้แต่มหาชนที่อยู่ในตรงนั้นเนี่ยบรรลุธรรมมากมายพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปพระวิหารเชตาวันตรัสวิมานนี้โดยพิสดารแก่บริษัทที่ประชุมเทศนานั้นได้มีประโยชน์แก่มหาชนอันคิดดูนะผู้ที่หากว่าถึงไตรสารณาคมเนี่ยช่วเวลาแป๊บหนึง่ง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 ความโกรธเนี่ยเป็นเหตุให้ให้ไม่งามเหมนะให้หน่าเกลียดเนี่ยทุกคนจะไม่โกรธเลยถ้ารู้โทษของโทสะจริงๆจะไม่มีใครโกรธถ้าหากว่าทุกคนรู้อานิสงส์ของเมตตาทุกคนจะต้องเจริญเมตตาแต่ว่าเพราะไม่เห็นโทษของโทสะไม่เห็นคุณของเมตาก็เลยไม่เจริญนั่นแหละเพราะนั้นการนึกถึงคุณของพระผู้มีพระภาคก็เหมือนกันถ้าหากว่าคนที่มีความรู้ความเข้าใจระลึกนึกถึงคุณของพระผู้มีพระภาค ก็จะได้รับผลมากมายมหาศาลเราเคยได้ยินนะอัปปมาโนพุทธโธคุณของพระพุทธเจ้าไม่มีประมาณอัปปมาโนธรรมโมคุณของพระธรรมไม่มีประมาณอัปปมาโนสังโฆ ค, คุณของพระสงฆ์ไม่มีประมาณแต่ว่าคุณของสัตว์ทั้งหลายทั่วไปนี่มีประมาณสามารถนับได้ใช่ไหมออท่านคนนี้มีศินหฟังธรรมะมาแค่แค่นี้แค่นี้แค่นี้มันนับคุณได้เลยว่าไปทำดีมากี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งนับได้ แต่อริยะคุณทั้งหลายของพระอาริยเจ้าหาประมาณไม่ได้เราไปช่างอย่างโสดาบันเนี่ยคำว่าโสดาปฏิมักอันเดียวเนี่ยนะเราเทียบไม่ติดเลยว่ามันจะขนาดไหนเราเทียบไม่ได้โอ้โ ห, หมันสูงสุดขนาดไหนเพราะบอกว่าถามว่าสมบัติของพระเจ้าจากกักรพรรดิเนี่ยเยอะไหมมีมหาสมุทรสีแผ่นดินสีเป็นขอบเขตว่า ง, งั้นโซดาปฏิมักเนี่ยมาผ่าออกเป็นสิบหชิ้นสิบหส่วน